เรื่องทรงอนุ ญ, ญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงปักละครั้งพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปฏิโมกขึ้นแสดงปักละสมครั้งรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงปักละหนึ่งครั้งคือในวัน14บ่ค่ำหรือวัน15คห้า